ขณะนั้นสเตลลีคิดและเชิดบุตรซึ่งเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินได้แล้วก็พากันเดินตรงเข้ามาสมทุกราวินจึงโบกมือเป็นสัญญาณกับพวกลูกหากชี้เป้าหมายเบื้องหน้าให้ตัดเข้าดงแล้วนำเคลื่อนที่ต่อไปทันทีอย่างง่ายๆโดยไม่เ อ, อ่ยอะไรอีกทั้งสิ้นทิ้งซาดช้างโบราณให้ถูกไฟลุก เผาผลานต่อไปตรงตำแหน่งนั้นพอเริ่มเข้าเหยียบชายดงมองเห็นสภาพพื้นภูมีประเทศได้ใกล้ๆระพินก็บอกกับตนเองอยู่ภายในใจเงียบๆว่าเส้นทางของเขาไม่ผิดแล้วมันเป็นป่าลักษณะและประเภทเดียว ก, กันกับที่เขาเคยผ่านมาในอดีตแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งเดิมก็ตาม สภาพของสิ่งประกอบแวดล้อมอันเป็นต้นไม้พืชพันธุ์ภูมิประเทศที่แวดล้อมอยู่เป็นลักษณะของตาในยุคไพลอเชียนไม่ผิดเพี้ยนไปเลยและเขาก็ไม่คิดว่าตนเองจะได้หวนกลับมาพบเห็นอีกวาระหนึ่งในชีวิตนี้แม้ว่าเส้นทางที่ผ่านมาแล้วนั้นจะบอกชัดว่าได้มีการไต่ที่ราบสูงขึ้นมาเป็นลาดับ ก, ก็จริงอยู่ แต่ป่าทึบบริเวณที่เขากำลังจะพาคณะทั้งหมดผ่านเข้าไปขณะนี้เป็นลักษณะเป็นที่ลุ่มบนความสูงเหมือนแอง่งฤกร ะ, ะอันกว้างใหญ่พื้นชื้นแฉกบางแห่งมีน้ำขังต้นไม้สูงชะลูดแต่ละต้นมีรากโผล่ขึ้นมาเหนือระดับศีรษะของคนขึ้นไปและฝังรากลงไปบนพื้นอันเจิ่งน้ำ ซึ่งบางทีก็แลดูเหมือนบึงนั้นเงียบสงบจนหน้าพิศวงไม่มีวิแววของสรรพสัตว์ใดๆของพิภพโลกในยุคปัจจุบันจะให้ค้นพบเลยรวมทั้งกลิ่นไอของอากาศก็แพกเพี้ยนไปหมดดึกก้าวผ่านทาวารของยุคหนึ่งย่งล่วงเข้ามาสู่อีกยุคหนึ่งอย่างฉับพลันกระตันหัน ระหว่างที่เขากำลังยืนกำหนดหาลู่ทางเดินอันควรจะไปได้สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องลุยผ่านไปในบริเวณน้ำขังมองเห็นแวดล้อมอยู่ทั่วทั่วไปนั้นทุกคนได้มาหยุดลงอีกครั้งโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมดซึ่งพากันพิจารณาอย่างที่ถูทีถ้วนทั้งใกล้และไกลตัวออกไปด้วยความรู้สึกเยียบเย็นในหัวใจยังไงบอกไม่ถูก ทุกคนดูเหมือนจะอยู่ในอาการตื่นตะลึงต่อฉากภูมิประเทศที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเพราะมันผิดจากลักษณะของป่าทุกป่าที่ผ่านกันมาแล้วไปหมดสิ้สแตลลีคีตอิซาเบลและคริสติน่ายืนรวมกลุ่มซุบซิบอะไรกันอยู่อย่างแผ่วเบาระพินนั้นยืนเม้มริมฝีปากดวงตาทั้งคู่รีเพ่งพินิด ไปโดยรอบอยู่บนเนินอันมีสภาพเหมือนคันดินเหนือพื้นน้ำโดยมีเชิดวุธยืนอยู่ใกล้ๆด้วยส่วนพวกพรานพื้นเมืองของเขาทั้งสี่คนรวมทั้งพวกลูกหาบทั้งหลายก็แยกกระจายยืนกันอยู่เป็นจุดๆในละแวกใกล้เคียงกันบางคนยืนแช่อยู่ในพื้นที่คลุมด้วยน้ำสีชาลึกเพียงหน้าแข้บางคนก็ยืนอยู่บนคันดินที่แห้งงองหน้ากันอยู่ไปมา แล้วก็เหลือบแลมาทางจอมพรานซึ่งเป็นเสมือนที่พึ่งที่หวังของคณะทั้งหมดเพื่อรอฟังคำสั่งยังไม่มีใครกล้าขยับเขยือดอย่าล้าอย่าแตะต้องลำต้นกิ่งหรือใบไม้ใดๆโดยไม่จำเป็นนะครับในความเงียบนั้นทุกคนได้ยินเขาออกคำสั่งมาเป็นภาษาอเมริกันและภาษากรีก เพื่อให้เป็นที่เข้าใจของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายนายจ้างหรือลูกหาเราจะเลือกเดินเลาะไปตามคันดินโดยจะไม่ท่องลุยไปในน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นทั่วๆไปที่เห็นอยู่นี่และจะไปด้วยกันเป็นหมู่คณะร่วมกลุ่มทั้งหมดโดยจะไมใ่ใครแยกเดินเดี่ยวห่างไกลรับตาออกไปรวมทั้งตัวผมเองด้วยครับ นี่ระพินลักษณะของป่ามันผิดตาไปมากนะสแตลลีเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกฝนที่ตกมาเมื่อใกล้รุ่งของวันนี้มันไม่น่าจะทำให้มีสภาพน้ำขังอยู่บนพื้นทั่วไปเหมือนที่เราเห็นอยู่นี่เลยมันเหมือนจะเป็นป่าในที่ลุ่มต่ำหรือที่จะเรียกว่าป่าทล่มในเขตบึงกว้างใหญ่ จอมักูเทศมองไปสบตาบุญคำแวบหนึ่งหินกายืนทาหน้าลอกแหลกอยู่บนขอบคันดินห่างเขาออกไปเล็กน้อยโดยไม่ยอมลงไปยืนแช่ขาอยู่ในน้ำเช่นกันบุญคำย่อมจะจำลักษณะของป่าเลนแบบนี้ได้ดีเท่าๆกับเขารวมทั้งจันเกิดและเสยด้วยชนิดไม่อาจมีวันลืมได้ตลอดชีวิต รพินตอบรับเสียงต่ำๆอยู่ในลำคอและทุกคนก็มองเห็นรอยยิ้มนิดหนึง่งทานไปบนใบหน้ากร้านกระด้างดุดหินสลักดวงนั้นใช่ครับฝนที่ตกเมื่อใกล้รุ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้น้ำฝนมาขังอยู่บนพื้นบริเวณนี้และนองเจิงท่วมมาจนถึงเดี๋ยวนี้หรอกครับแต่มันเป็นสภาพของน้ำขังของป่า ที่จมอยู่ในน้ำมาตลอดการของมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของพื้นภูมิประเทศเองซึ่งคงสภาพอยู่อย่างนี้นิรันดร์การนิระพินถ้าทายไม่ผิดเรากำลังเข้าสู่ภูมิประเทศใหม่ผิดไปจากทุกครั้งที่เคยได้พบแล้วนะถูกต้องไหมเบนซึ่งพอจะมีความรู้ในธรณีวิทยาอยู่บ้างร้องถามมา ดีครับเบลคุณมีความสังเกตและมีสัมผัสที่ดีมากครับโปรดดูที่ลักษณะของต้นไม้แล้วคุณจะรู้ได้เองครับว่ามันควรจะเป็นป่าในยุคสมัยใดผมเองก็ไม่มีความรู้ดีน ะ, ะในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยผ่านพบมันมาก่อนและเท่านั้นและขณะนี้ก็กําลังพบเขาอีกผมไม่อยากจะเชื่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเหมือนกับว่าได้หลับฝันไป แต่บัดนี้เดี๋ยวนี้มันกําลังปรากฏอยู่กระสายตาอีกก็แปลว่าผมมุ่งหน้ามาได้อย่างถูกต้องกับที่กําหนดไว้แล้วล่ะครับระพินเราควรจะต้องระวังอะไรบ้างโปรโดให้พวกเราได้รู้ตัวล่วงหน้าจากประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมาแล้วนะคริสติน่าอัดควันบุหรี่ลึกจากก้นสั้นๆที่ลอนดูดจนแดงวา ถามมาด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมความรู้สึกคริสครับภัยจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆภัยจากสิ่งที่เป็นกึ่งพืชกึ่งสัตว์บริเวณอันเป็นแหล่งคโคลนดูดบางแห่งบางตอนเราอาจจะต้องเดินเป็นแถวเรียงเดี่ยวตามรอยเท้ากันไปโดยไม่แยกออกนอกเส้นทาง หรือบางแห่งอาจจะต้องมีการใช้เชือกมัดติดเอวกันไว้ทั้งหมดเพื่อว่าหากเกิดใครพลาดพลั้งยังไงก็จะได้ช่วยกันฉุดกันดึงได้ทันครับนายจ้างทุกคนมองตากันเองอีกครั้งอดีตที่ผ่านพั จ, จนมาด้วยกันทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจในคำพูดสั้นๆของรพิงได้ดีโดยไม่ต้องให้มีคำอธิบายมากไปกว่านี้แล้ว ศักหรืออะไรอื่นๆนะระพินคิดจยิงคำถามมาบ้างอย่างรวดเร็วศัต์ที่จะพบก็จะเป็นพวกที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากซากพวกเจ้าของโครงกระดูกในพิพิธภัณฑ์ของ prehistoric animal แต่ผมจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่พวกเราได้พบแล้วก็ขอภาวนาว่าอยากพวกเราได้พบเลยในการมาครั้งนี้ นะครับใครมีปัญหาอะไรก็ซักถามผมเฉเลยจะได้รับรู้รับทราบไว้ก่อนเพราะผมเองก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะเข้าถึงบริเวณอันเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัยนี่ได้อย่างรวดเร็วเกินคาดถึงเพียงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เราจะต้องซักถามอีกแล้วแหละพวกเราจะทําตามที่คุณสั่งแล้วกันแต่ก็ต้องการให้คุณอยู่ใกล้ๆเรามากที่สุด ไม่ใช่วิธีเดิมๆคือแยกตัวห่างไกลออกไปอะ่ะดรสแตนลีย์สรุปมาสั้นๆครับดรผมรู้หน้าที่ของผมดีครับว่าจะต้องทำยังไงมั่งในพื้นภูนมิประเทศแบบไหนตกลงครับระยะที่เรากําลังจะเคลื่อนตัวต่อไปในป่ากลุ่มนี้ผมจะคุมอยู่เบื้องหลังใกล้ๆพวกคุณ และเราจะเดินเกาะหมูกันไปทั้งหมดเอาละก่อนจะเคลื่อนที่กันขอให้ทุกคนตรวจสอบวิทยุมือถือประจำตัวด้วยว่ามันยังทำงานเป็นปกติดีหรือเปล่าเชิญครับโดยคำสั่งของรพินอเมริกันพวกนั้นปลดวิทยุประจำตัวที่เสียบติดเอวขึ้นมาตรวจสอบทันที ซึ่งก็รวมทั้งตัวรพิน์และบุญคาด้วยปรากฏว่าภาครับและภาคส่งของทุกเครื่องยังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมทุกอย่างพรานใหญ่ยิ้มออกมาอย่างพอใจบุญคากรับนายไปเดินนำอยู่ข้างหน้าไปเขาสั่งการโดยไม่ชักช้าเลือกเดินไปบนคันดินแห้งอ้อมไปทางด้านขวามือ ไปเรื่อยๆก่อนนี่ทิศเหนืออยู่ทางด้านนี้ขณะที่พูดเขาชี้มือเป็นสัญญาณให้เห็นแล้วระหว่างเดินไปก็พยายามตีขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะหากมีความจําเป็นจะต้องบุกลุยไปในหน้าบ้างก็ทําได้แต่ให้บอกล่วงหน้าซะก่อนว่าจะต้องนําพวกเราลงลุยน้ํามีข้อกําหนดว่าน้ําที่เราจะลุยไปนะ่ะต้องไม่ลึกเกินกว่าระดับหัวเข่าเท่านั้น ถ้ามันจะลึกกว่านั้นให้ปรึกษาซะก่อนเข้าใจไหมบุญคํำกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆแล้วยิ้มแย่ๆอ้อมแอมอ้อมแ อ, อมมาวะเข้าใจนายถ้าเข้าใจก็ลงทวนคํำสั่งให้ถูกต้องซิบุญคำํำทวนคํำสั่งเขาแม่นยําเหมือนท่องจําเมื่อ น, นัันรพินจึงพยักหน้าเป็นความหมายให้เริ่มปฏิบัติได้ ตพรานเท่าคู่ใจของเขากระโดดข้ามเนินดินกเกาะเหนียวตัวตามรากไม้ไต่ล่วงหน้าไปจนกระทั่งไปยืนอยู่เบื้องหน้าของกลุ่มที่ยังยืนกันอยู่เกะกะไม่สู้จะเป็นระเบียบนะักพลางตัวแกเองก็ร้องเร่งพวกลูกหาให้จัดแถวเป็นเรียงหนึ่งโดยให้เจ้าพวกที่ยังยืนแช่น้ำอยู่ขึ้นมาอยู่บนพื้นแห้งอันมีลักษณะคล้ายๆคยันนาระพินกาหนดรูปแถวต่อไปในทันที ให้กระบวน ล, ลูกหาบอันมีอูฐะและพะโตเป็นคู่แรกอยู่หลังบุญคาและอีกสีคู่ก็ให้เข้าขบวนกันเป็นลําดับต่อมาจึงเป็นคีธซึ่งมีจัน์เป็นพี่เลี้ยงตามหลังถัดมาก็เบมีเกิดอยู่ด้านหลังแล้วก็คริสอันมีเสยคุมอยู่ใกล้ๆจากนั้นจึงเป็นตำแหน่งของหัวหน้าคณะดออ็อเรสตลีแล้วก็เชิดบุตรแล้วก็เขาเอง เป็นผู้ปิดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเข้ารูปขบวนอย่างรวดเร็วด้วยระเบียบวินัยอันดียิ่งเงาเดินเขาลองสั่งการออกไปยังบุญคําและทุกคนและเมื่อ น, นั้นขบวนทั้งหมดจึงเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งแสงสว่างในดงมีไม่มากนักแต่ก็พอจะมองเห็นอะไรได้ถนัดพอสมควรเพราะเหนือศีรษะขึ้นไป ยังพอจะมองเห็นท้องฟ้าอยู่บ้างจากสภาพของกิ่งไม้ใบไม้ที่ไม่ถึงกระแผ่ปกคลุมมิดชิดเกินไปนักเนื่องจากคณะทั้งหมดยามนี้เลาะเรียบอยู่เพียงชายดงก่อนก้าวขาเขาเห็นบุตรชายท่านนายพลเหลือบมองตาเขานิดนึงระพินจึงเอื้อมมาจับไหล่ไว้บุคคลทั้งสองเป็นคู่ที่อยู่ใกล้ชิดกันที่สุดโดยถัดไปเบื้องหน้านะ่ะเป็นสตาลี ซึ่งก็ไม่ห่างออกไปนักเชิดวุฒิเงียบกริบไม่มีคำพูดใดๆกับเขาเลยนับตั้งแต่ประจันหน้ากระช้างไดโนเทเรียมที่ชายทุ่งแล้วคุณวุฒิรู้สึกคุณจะขึมเครียดไปมากนะตั้งแต่เจอเจ้าช้างยักษ์นะ่ะระพินกระซิบอ่อนโยนกระแสเสียงรักใคร่ปราณีเชิดวุฒิเอามือมาจับ ฝ่ามือที่วางบนไหล่ของตนฝืนยิ้มไม่ต้องห่วงครับพี่พวกนั้นไปได้ถึงไหนผมก็ไปได้ถึงนั่นโดยเฉพาะถ้ายังมีพี่เป็นกัปตันทีมอยู่แบบนี้คุณบุตรผมรู้นะว่าทุกคนกลัวทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นพวกอเมริกันทั้งหมดเด็กๆของผมและแม้กระทั่งผมเอง แต่เราจะกลับอำนาจความกลัวนั้นให้กลายมาเป็นสติสัมปชัญญะอันรอบคอบและความไม่ประมาทต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะผ่านมันไปได้ผมแน่ใจว่าพวกเราจะต้องสำเร็จพี่อเมริกันสี่คนสองคู่นี่มีอะไรให้พี่ต้องหนักใจบ้างไหมเนี่ยครับเดี๋ยวเนี้ไอระยะ เดินทางแรกๆผมก็ยอมรับนะว่ามันหนักใหญ่มากในพวกเขาทั้งหมดจากความที่ไม่รู้อะไรกันมาก่อนเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าพวกเขาไปกับเราได้อย่างสบายแม้กระทั่งคิดึ่งดูว่าจะนอกคอกแล้วก็ไม่ประสีประสาอะไรมากที่สุดในคณะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะเข้ากับพวกเราได้ดีทุกคนแล้วก็เคยชินต่สถานการณ์ร้ายๆได้ดีเยี่ยมเลย ผมน่าไม่ชอบใจอะไรอยู่อย่างนะึงเมื่อครู่ใหญ่ๆเนี่ยไอ้ช้างโบราณตัวนั้นนะ่ะถูกพวกเราระดมยิงจนเลือดโซมทั้งตัวแล้วแล้วก็กำลังจะเบนผลักหนีไอ้คี้ก็ยังอุตสาหพุ่งเข้าไปเล่นงานด้วยระเบิดเพลิงเผามันทั้งเป็นอย่างเลือดเย็นที่สุดเชิดบุตรกระซิบแผ่วเบารบพินตกไหลเชิดบุตเบาๆอย่างปลกปลอบใจ <c oughs> คุณุตอย่าไปตำหนิอะไรเขาเลยครับ คิดแต่ก็าอาจจะถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนเขาอาจจะตื่นเต้นเกินไปแล้วก็มีความกลัวอยู่มากก็เป็นการถูกต้องแล้วละที่เขาต้องหยุดมันซะให้ได้อย่างเฉียบขาดเพราะก็ยังไม่แน่หรอกว่ามันจะเบนตัวหนีหรือเบนเข้าใส่อีกและในระยะติดพันแค่นั้นถ้ามันหวนกลับเข้าใส่อีกครั้งก็จะอันตรายมากเราถือหลักที่ว่าจะไม่ราวีรบกวนอะไรก่อนในสิ่งที่เราพบแต่ถ้าถูกจูโจม เราก็ต้องยุติมันลงให้ได้อย่างเฉียบขาดในการโวลังเลการมันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้ตั้งแต่ลูกหาบของผมสองคนเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคราวรเผชิญกับมันไรผมจะไม่ยอมให้พวกเราคนใดต้องตายจากไปอีกเลยถ้าตายก็หมายความว่าตายด้วยกันทั้งหมดทุกคนถ้ารอดก็ต้องรอดด้วยกันทุกคนเหมือนกัน ผมมีความรู้สึกนะว่าพี่เองอยากจะยิงไล่มันซะมากกว่าเพราะพี่ไม่อยากจะฆ่าเจ้าพวกนี้โดยอาจจะยึดถือหลักอะไรสักอย่างหนึง่งผมว่าถ้าพี่ต้องการจะล้มมันจริงๆมันก็น่าจะคว่ําลงไปตั้งแต่ตอนที่พี่กะลุงคํายิงนั่นแหละเมื่อมันผ่านพี่กะลุงคํามาได้ก็ต้องมาเจอเข้ากระลูกปืนนับไม่ถ้วนเท่ากับเป็นการสั่งสอนซ้ํา แล้ผมก็เห็นว่ามันกำลังจะบ่ายหัวจะหนีอยู่แล้วนะ่ะเชิดบุตบ่นตามความรู้สึกแท้จริงของเขาแต่รพินบอกมาว่าคุณบุตครับไอระยะที่ผมยิงมันไกลเกินไปครับและตัวมันก็ใหญ่มากกระสุนพลาดจากจุดสำคัญมันก็เลยยังไม่ล้มทั้งทั้งที่ความจริงผมก็ต้องการจะล้มมันลงให้ได้แหละในกรณีที่มันชาดเข้าหาพวกเรา ส่วนใหญ่ทั้งหมดในสภาพนั้นเพราะฉะนั้นทางฝ่ายคุณไม่จำเป็นจะต้องเพียงขับไล่มันแต่ต้องยิงหรือทำอะไรก็ได้ให้มันยุติความดุร้ายลงโดยเร็วไม่ต้องไปต่อว่าอะไรคิดอีกนะครับผมขอร้องอ่ะคุณขณะนั้นสแตลลีก็ลดฝีเท้าลงมาเพื่อให้ทั้งสองกระชั้นชิดเข้ามาอีกกลายเป็นเดินรวมกลุ่มชุดรังท้ายอยู่ด้วยกันสามคน บุชายท่านนายพลจึงยุติการพูดซุบซิบกับระพินลงแค่นั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอให้ผมได้รับทราบไปบ้างนะระพินแล้วก็วุธด้วยหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นเบาๆอย่างร่วมสนทนาด้วยระหว่างที่เดินเรียงแถวกันไปเป็นการพูดโดยไม่ต้องหันหน้ากลับมาแต่เดินตามกันไปเรื่อยๆ เรไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับด็อกเตอร์นายทหารหนุ่มบอกมาเรียบๆระพินคุณเคยผ่านบริเวณนี้มาก่อนหรือเปล่าเนี่ยสังเกตดูคุณจะคุ้นกับภูมิประเทศของมันมากเลยนะด็อกเตอร์ครับก็เฉพาะบริเวณนี้ไม่เคยผ่านหรอกแต่ถ้าเป็นภูมิประเทศที่มันเหมือนๆกับแบบนี้ก็เคยผ่านมาก่อนนะครับเป็นลักษณะเดียวกันทุกอย่างเลย ผมคิดว่าเราจะพบมันอีกในสองสามวันข้างหน้าแต่ก็ปรากฏว่าได้เข้าถึงเขตของมันเร็วกว่าที่กำหนดหวังไว้มากทีเดียวอันน่าจะแปลได้ว่าเราเข้าสู่จุดหมายได้เร็วขึ้นอีกครับหนิรพินถ้าเราพบสัตว์ที่เราไม่เคยคาดฝันไอ้ประเภทใหญ่ยักษ์เหมือนกับไอ้ช้างโบราณพวกนั้นเข้าอีกเนี่ยผมชักเป็นห่วงเรื่องปืนของเรานะคุณ เกรงว่าจะหยุดมันไม่ได้ผมไม่ต้องห่วงในเรื่องนั้นอีกแล้วละครับด็อเตอร์เพราะระเบิดเพลิงของพวกคุณฤก็์เดตมันร้ายกว่าลูกปืนตามปกติธรรมดาหลายร้อยเท่านักไม่ว่าอะไรอ่ะถ้ามันมีเนื้อหนังมังสามันก็ไม่อาจจะทนทานต่อการถูกเผาสดๆไปได้ขออย่างเดียวอย่าให้สะเก็ดบุญของระเบิดมันปลิวมาถูกพวกเรากันเองเท่านั้นแหละ ผมก็อยากจะมีข้อแนะนานะครับว่าหากจําเป็นจะต้องใช้งานมันจริงๆก็ไม่ควรใช้ในระยะประชิดเกินไปนะักผมยังไม่ทราบว่าในน้ำมันจะยังลุกไหม้ได้หรือเปล่าประโยคลังเป็นการย่างหางเสียงย่างเรียบเรียบและแสดงท่าทีของความจริงใจโดยปราศจากเล่ห์เหลี่ยมใดๆทั้งสิน้นหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลีย ตอบคำถามของเขาว่าในที่ที่เป็นสุญญากาศจริงๆเท่านั้นนะครับที่จะระ ง, งับการลุกไหม้ของระเบิดชนิดนี้ได้การลงไปแช่น้ำหรือคลุกอยู่ในดินโคลนมันไม่ช่วยอะไรได้เลยครับแต่ถ้าเกิดอุ ป, ปัตวิวเหตุก้นจริงๆสำหรับพวกเรากันเองโดยมีสะเก็ดบุญแต่เพียงส่วนน้อยนะับปรูวกระเซนต์มาถูกและลุกติดขึ้น เราก็มีสเปรย์สำหรับที่จะฉีดดับมันลงได้เหมือนกันครับแต่เนื้อหนังมังสาบริเวณที่ถูกไหม้ก็คงจะเป็นแผลสาหัสกันไปแล้วล่ะเชอดวุฒิสวนขึ้นมาโดยเร็วใช่ครับแต่ก็ยังดีกว่าที่จะมองเห็นพวกเรากันเองถูกย่างสดเผาทั้งเป็นโดยไม่มีอะไรช่วยเหลือได้เลยไม่ใช่หรือครับไอ้ตัวยาดับเพลิงน่ะมีลักษณะเป็นยารักษาบาดแผลที่ถูกไฟไหม้โดยตรงด้วย สภาพเป็นโฟมเหมือนกับฟองสบู่ใช้ฉีดจากกระป๋องเล็กๆที่มีพลังอัดดันสูงพุ่งไปไกลได้ถึงเกือบสิบหลาและจะกระจายปกคลุมเนื้อที่โดยรอบต่อเป้าหมายในพื้นที่สามตารางหลาหมายถึงท่วมตัวของบุคคลที่ถูกไฟไหม้ถ้าเราฉีดดับได้ทันเวลามันก็จะไม่เกิดบาดแผลอะไรมากมายเกินไปนักหรอกนี่ก็แปลว่าพวกคุณก็มีติดตัวมาด้วยอย่างนั้นเหระ รบพินถามเสียงต่ำๆมาจากด้านหลังสุดแทนคำตอบใดๆสเตลีเอามือล้วงขยุกขยิกไปที่กระเป๋ากางเกงด้านหน้าอันบรรจุอะไรต่ออะไรไว้โปง่งตึงแล้วยื่นส่งกระป๋องสเปรย์ชนิดหนึ่งขนาดกระทัดรัดสูงเพียงแค่สี่นิ้วมีเส้นรอบวงไม่เกินสามนิ้วครึ่งดูผาดผาดเหมือนสเปรย์ฟองสบู่สาหรับทาก่อนโกหนวดหรือมิฉะนั้นก็สเปรย์เครื่องสาอาง ยื่นส่งมาให้เชิดบุตรแล้วบอกให้ส่งต่อไปยังรบพินอีกทีนึงพลางบอกว่าอ่ะเพื่อความสบายใจคุณเก็บไว้แล้วกันรบพินเพราะคุณนั่นแหละที่จะมีโอกาสช่วยพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อและจำไว้ด้วยนะว่าสารเคมีที่บรรจุอยู่จะใช้ได้ดีเป็นพิเศษก็ต่อเฉพาะการดับไฟที่เกิดจากระเบิดเพลิงของเรา ในบริเวณลุกไหม้จำกัดเท่านั้นตามที่คุณตั้งไว้เป็นข้อวิตกกังวลแต่มันไม่ใช่เครื่องดับเพลิงที่จะใช้ดับไฟไหม้ป่าได้หรอกเชิดบุตรรับมาพิจารณาดูแล้วหันมองหน้ารพินนิดนึงพร้อมกระส่งไปให้พูดหลอดไรฟันออกมาดังไม่เกินกระซิกร้ายกาจจริงๆมันมีลูกเล่น ค่อยๆโผล่ไม่เห็นไม่มีที่สิ้นสุดให้ตายเด้อทำไมมันไม่บอกเราสักก่อนนะว่าพวกมันมีน้ำยาดับเพลิงชนิดนี้ไว้คอยแก้เก็บเงียบเลยขยีบยแม่งลงน้ำซะดีเอ่ะพี่คำพูดของเชิดบุตรที่มีกราพินสแตนลีฟังไม่ถนัดจับกระแสฟ้าไม่ได้เพราะอยู่ในสภาพอุบอิบจอมพรานยิ้มออกมานิดนึง และตบไหลานายพันรีหนุ่มให้สะกดกลั้นอารมณ์ไวเชิดบุตรแยกเขี้ยวจ้องมองด้านหลังหัวหน้าคณะของฝ่ายอเมริกันอย่างเขมนเต็มที่อยากจะไต่ให้กลิ้งลงมาจากคันดินสูงที่พากันเดินเข้าแถวเรียงเดียวกันไปนั้นให้ตกน้ำจะรู้แล้วรู้รอดแต่และถ้าไม่มีระพินคอยคุมหลังอยู่ด้วยอย่างนี้ก็คงจะโดนกันแล้วละ แ่านใหญ่กดไหลนายทหารรุ่นน้องไวแน่นเชิงบังคับไม่ให้แสดงปฏิกิริยาดานเดือดฉุนเฉียวอะไรออกมาเชิดบุตรจึงสะกดกลั่นโทสะไว้เงียบเฉยขณะที่ภายในเดือดอยู่ปุดปวระพินรับมาพิจารณาอย่างรอบคอบสิ่งที่บรรจุอยู่ในกระป๋องอลูมิเนียมชนิดหนากระป๋องนั้นไม่มีข้อความอะไรที่จะชี้บ่งบอกให้ทราบเลย นอกจากตัวย่อสองสามตัวและเลขหมายรหัสเขาดอกขึ้นลงเบาๆในมือระหว่างที่เดินไปด้วยกันแล้วก็ถามเรียบๆต่อมาว่าด็ตอร์ครับพวกคุณมีเจ้าสิ่งนี้ติดตัวกันอยู่ทุกคนหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยถ้าพวกเขาไม่ประมาทกันจนเกินไปก็ควรจะมีติดตัวกันไว้เผื่อจะเกิดอุบัติเหตุอย่างที่คุณว่านั้นขึ้น แต่ความจริงผมก็ได้สั่งให้เอาสัมภาระส่วนกลางมาเก็บไว้ที่ตัวของแต่ละคนไว้แล้วตอนที่แจกระเบิดเพลิงให้ไปในคืนที่หมาป่ามันยกทัพโจมตีเราในคืนนั้นน่ะแต่คุณก็ไม่ได้มอบให้ผมหรือพรานใหญ่ระพินเลยทั้งๆ ท, ที่พวกคุณก็ให้ระเบิดชนิดนี้กับเราเชิดวุฒคำรามออกมาทำท่ามันจะยกเท้าขึ้นถีบหลังอเมริกันอาวุโสผู้เดิอนอยู่เบื้องหน้า แต่ระพิงกระชากไหล่ไว้อีกจนเซมากระทบเขาสุภาพบุรุษไพรใช้มือดึงคอเสื้อนายทหารรุ่นน้องไว้โดยไม่ยอมปล่อยรังให้มาเดินอยู่ใกล้ๆเบื้องหน้าเขาโดยเว้นระยะห่างจากสไตลีพอสมควรป้องกันไม่เชิดบุตรบุมบามทำอะไรลงไปด้วยความโมโหเลือดร้อนสเตลีจับหางเสียงไม่พอใจของนายทหารไทยได้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร คงเดินไปเบื้องหลัง้หนาตามหลังเสยซึ่งเป็นคนถัดไปตามรูปแถวที่จัดไว้เดิมบากก็ตอบคําถามมาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นว่าก็ผมเห็นว่ายังไม่จําเป็นก็เลยยังไม่ได้บอกให้รู้ถึงโฟมดับพิษระเบิดชนิดนี้และสภาพการใช้ระเบิดคว่างชนิดนี้ของเราก็เป็นการใช้ไกลตัวอยู่แล้วคงไม่มีใครใช้ในระยะประชิดจนสกเกตของมันเปลิวมาถูกพวกเรากันเองหรอก แต่เมื่อระพินตั้งเป็นข้อวิตกสงสัยก็เลยบอกให้คลายข้างบนผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะซ่อนเร้นปกปิดอะไรเพราะถ้าปิดก็คงไม่บอกให้รู้ตลอดไปแหละคุณก็อย่าเอาแต่ฉุนเฉียวหรือคิดอะไรเลยเถิดไปเลยนะบุษเมื่อคืนที่หมาป่าบุกโจมตีระพินเอ่ยขึ้นชนิดพอจะได้ยินไปถึงสแตนลีย์ ตอนนั้นเบลเตลิดหนีออกนอกบริเวณแคมป์ผมเป็นคนตามเธอออกไปขณะ น, นั้นพวกเราส่วนใหญ่ในแคมป์กำลังใช้ระเบิดชนิดนี้ถล่มฝูงหมาป่าอยู่แล้วไฟก็ลุกท่วมรอบด้านไปหมดจนผมกับเบลเกือบจะถูกคลอกตายอยู่กลางวงล้อมของไฟมีสเก็ดบุญของระเบิดเพลิงที่พวกคุณคว้างออกมากระเด็นเฉียดเราสองคนไปอย่างบุบวิดว รวมทั้งหัวลูกปืนที่พวกคุณยิงกระอาตอไปรอบด้านผมน่ะไม่กลัวลูกหลงจากปืนนะคุณเพราะพอจะหาที่หลีกหลบได้ไอ้ที่กลัวที่สุดในคืนนั้นก็คือไอ้สะเก็ดบุญจากระเบิดชนิดนี้เพราะมันไปรกระทบอะไรมันก็ลุกติดไปที่นั่นอย่างน่ากลัวที่สุดขณะนั้นผมไม่เห็นท่าทีเลยว่าเบนจะมีสเปรย์สำหรับดับเพลิงชนิดนี้อยู่กับตัวแล้วก็ไม่เคยพูดถึงในเรื่องนี้เลย จากคืนนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำให้ผมเกิดความหวั่นวิตกและสยดสยองมาตลอดเวลาเกี่ยวกับระเบิดชนิดนี้ว่าหาก้ายในคืนนั้นทั้งตัวผมหรือตัวเธอเองบังเอิญไปถูกข้กัสเกตบุญของระเบิดที่พวกคุณใช้คว้างออกมารอบทิศโดยเราสองคนเคราะห์ร้ายถูกสเกตของมันเข้าเราจะตกอยู่ในสภาพเช่นไรกระพิน แต่ผมคิดว่าเบนน่าจะมีติดตัวอยู่ในขนาดนั้นด้วยนะแต่ความตกใจต่อเหตุการณ์และการที่กำลังพะวงที่จะหนีเขี้ยวหมาป่าอยู่อาจจะทำให้หมดสติหลงลืมซะก็ได้เดี๋ยวผมจะถามให้แล้วจะฟังเสียงดูที่ว่าเบนจะตอบว่าไงคุณก็เห็นเห็นกันอยู่นะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการนัดในอะไรกันอเมริกันอาวุโพูดแล้วยกวิทยุขึ้น เสียงเรียกของเขาเจาะจงไปที่อิซาเบลผู้เดินอยู่ในกลุ่มข้างหน้าและทุกคนในกลุ่มก็สามารถได้ยินทั่วถึงกันหมดเมื่อหลอนตอบรับมาสแตนลีก็ถามว่านี่เบร์สเปรย์สำหรับดับพิษไฟจากระเบิดเพลิงฉันได้สั่งให้คีดเอาออกไปแจกยังพวกเราประจำตัวไว้แล้วทั้งสี่คนตั้งแต่คืนที่หมาป่ามันบุกโจมตีคืนนั้นเธอมีติดตัวอยู่หรือเปล่า มีค่ะอาจารย์มีอะไรเหรอคะเสียงใสของแม่ผมแดงตอบมาทางวิทยุเป็นปกติคืนนั้นน่ะคืนที่เธอเกือบตายเพราะเพนนอกนอกแคมระหว่างพวกหมาป่าโจมตีและรพินก็ติดตามเธอไปด้วยจนกระทั่งไปหลบพักอยู่ใต้เทวลายรูปสิงโตหมอบสเปรดับพิษระเบิดเพลิงยังอยู่ที่เธอถูกต้องไหมใช่ค่ะ ก็ยังอยู่กับชั้นในขณะนั้นด้วยอาจารย์ถามทำไมเหรอค ะ, ะใช้ชั้นออกมาฉีดดับไฟที่กำลังลุกไหม้ป่ารอบตัวเราอยู่เนอะเหรอมันจะเป็นไปได้ไงก็สารเคมีชนิดนี้เรามีไว้สำหรับการช่วยเหลือแก้ไขขณะที่มันเกิดอุบัติเหตุเชื้อผ้าหรือร่างกายพวกเราคนใดคนหนึ่งถูกระเบิดเพลิงลุกติดขึ้นเท่านั้นนี่ไม่ได้มีไว้สาหรับใช้ดับไฟที่กาลังไหม้ทั้งป่า เพราะมันทําไม่ได้เออ uh. แล้วในขณะนั้นหรือเวลาต่อมานะ่ะเธอไม่ได้บอกให้ระพินรู้เลยเหรอว่าถ้าพวกเราเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากไฟชนิดนี้เราก็มีเคมีดับพิษไฟได้เปล่าค่ะฉันไม่ได้บอกเขาแล้วก็เห็นว่ายังไม่จําเป็นที่จะต้องบอกในเรื่องเล็กน้อยแค่นั้นเขาก็ <Yeah. S 2> so ไม่ได้เคยถามนี่เอ๊ะแล้วแล้วมีอะไรเหรอกายจัน ประโยคหลังหล่อนเสียงสูงอย่างแสดงอาการประหลาดใจก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ลักษณะของเขาดูคล้ายๆจะงุดหงิดและไม่สู้จะสบายใจนักเมื่อเพิ่งจะมาทราบเอาในขณะที่ฉันบอกเดี๋ยวนี้ว่าเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะแก้ไขได้หากเกิดปัทวเหตุสำหรับพวกเราเกี่ยวกับสะเก็ระเบิดเพลิงไม่เฉพาะเราพินเท่านั้นเชิดบุตก็มีความรู้สึกเช่นนั้นด้วย ฉันก็อยากจะให้เธอช่วยอธิบายเขาทั้งสองคนนี้หายคล้องใจสักทีว่าความจริงอะเราไม่มีอะไรที่จะคิดปิดบังเขาอีกแล้วในเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดที่เป็นอุปกรณ์ติดตัวพวกเรามารวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของพวกเราด้วยเสียงแบลอุทานอะไรออกมาคนันแล้วหัวเราะออกมาอย่างเปิดเผยอ้าวไพวันนี่มีอะไรที่คุณยังคล้องใจพวกเราอยู่อีกหรือเนี่ย ฉันบอกคุณอย่าไปคิดในเรื่องไร้สาระคอยจับไว้จับพริบเราทั้งหมดทุกอย่างจะดีกว่ามั้งเราก็ร่วมตายกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคุณจะต้องให้ฝ่ายเราบอกกับคุณซ้ําๆอีกสักกี่ครั้งว่าชีวิตพวกเราทั้งหมดนะ่ะขอฝากไว้กับคุณผมว่ามันไปไกลเกินกว่าเหตุแล้วนะเนี่ยคราวนี้ระพินเริ่มจะหงุดหงิดขึ้นมาจริงๆร้องตอบเสียงฮุ่นๆออกไป ผมยังไม่ได้แสดงอะไรเลยสักนิดหนึ่งว่าไม่พอใจหรือระแวงแคลงใจอะไรพวกคุณเกี่ยวกับที่ค้นพบว่าฝ่ายคุณมีเคมีสําหรับที่จะดับพิษไฟนรกของพวกคุณเองได้ซึ่งมันก็ช่วยให้เกิดความอุ่นใจขึ้นซะอีกในกรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือช่วยแก้ไขได้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจารย์หรือหัวหน้าคณะของคุณร้อนตัวไปเองแทๆ้ๆเห็นแก่พระเจ้า บริเวณที่ล้อมรอบตัวเรานี่นะมันดงนรกอยู่แล้วอย่าให้เกิดหาเหวอะไรขึ้นในความนึกคิดไม่ดีของฝ่ายนายอีกเลยระพินขอร้องเถอะเสียงนายคิดดังอ้าวอ้าออกมาในลักษณะสะบทดหุบปากดีๆอยู่แล้วนี่วะคิดอย่าเสือกโวยอะไรมันหน่อยเลยพรานใหญ่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรในเรื่องหาเหวที่เองว่านห ถ้าเองแต่าหากันที่มีโมโหแล้วก็มีเหตุผลที่จะโมโหด้วยเองเน่ยแจกระเบิดให้กับข้ากรบพินด้วยแต่ตลับไม่แจกสเปรย์เคมีสําหรับดับเพลิงให้ไอ้ที่พวกเองสี่คนมีกันครบมือหมดแล้วมันแปลว่าอะไรเองจะแก้ตัวว่าเองลืมก็ไม่ว่าอะไรแล้วนี่ยุตีแค่นี้อย่าเสือกต่อความยาวสาวความยืดหรือพูดอะไรสแสลงหูกันอีก เชิดบุตะโกนดังลั่นลงไปในบรรยากาศอันเงียบนั้นเมื่อนั้นเองคริสติน่าผู้เดินอยู่ด้านหลังของเกิดและด้านหน้าของเสยก็ปรีตัวเองกายเบี่ยงออกจากแนวทางเดินแคบแค บ, แคบนั้นพยักหน้าให้เสยเดินผ่านไปสัก่อนและทำสัญญาณให้สเตนลีผู้ตามมาผ่านไปอีกคนกระซิบเบาๆว่ะ หัวหน้าคะขออนุญาตที่ฉันได้พูดอะไรกา บ, บุตรแล้วก็พรานใหญ่หน่อยเถอคะ่ะหัวหน้าคณ ะ, ะเข้าใจอาการของหล่อนจึงเดินตามหลังเสยแทนที่หล่อนคริสรอจนกระทั่งเชิดบุตรเดินหน้ามุยมาถึงหล่อนจึงเดินอยู่ใกล้กลยบุคคลทั้งสองซึ่งเป็นบริเวณรังท้ายสุดเชิดบุตรกำลังหน้านิวคิ้วขมวดแต่สาหรับระพินสีหน้าเหมือนหินแกะสละัก ของเขาอันเป็นบุคลิกประจําไม่ได้สอ่อความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นหล่อนยิ้มให้แก่เขาทั้งสองพูดด้วยเสียงเบาอ่อนโยนกรุณาอย่าคิดอะไรให้มากได้ไหมคะทั้งสองคนนั่นแหละทั้งคิดและอาจารย์อาจจะลืมไปก็ได้ที่ไม่ได้มอบสเปรย์เคมีสําหรับดับไฟจากระเบิดไว้ให้กับคุณทั้งสองคน พระลองย้อนนึกไปถึงสภาพในวันนั้นสิคะมันเกิดเหตุการณ์ที่เร่งด่วนฉุกเหุกเหลือเกินและที่มอบระเบิดให้คุณทั้งสองไปก็หวังเพียงแค่เพื่อให้ป้องกันตัวเองและก็ช่วยพวกเราทั้งคณะยังไม่มีเวลาพอที่จะไปคิดถึงเรื่องอื่นใดถ้าหากสเก็ดบุญของมันปลิวไปถูกคุณทั้งสองคนหรือลูกหาบคนใดคุณคิดเหรอว่าเราจะไม่ช่วยดับให้โปรดมองเห็นถึงความจริงในเรื่องนี้สิ แล้วผ่านปัญหาข้องใจที่ไม่น่าจะเกิดเป็นปัญหานี่ไปเสียทีเถอะฉันขอร้องนะบุรแล้วคุณสุภาบุรุษไพรวันโดยเฉพาะคุณไพรวันซึ่งตะกุลไม่ลืมเสเองก็คงจะจำได้นะคะว่าฉันได้ประวรณาฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วสิธิ์ผู้ซึ่งจะไม่มีวันคิดร้ายใดๆกับครูได้เลยในทุกวิถีทางคาพูดของหลนแผ่วเบาก็จริง แต่เช่มช้าชัดเจนและมีความหมายออกมาจากจริงใจดวงตาสีฟ้างามมองดูทั้งสองอย่างขอร้องวิงวอนลืมสเถอะคริสทางด้านผมนะัไม่มีปัญหาอะไรเลยพระใหญ่ตอบมาอย่างไม่สนใจอะไรอีกและดุนหลังเชิดบุตรที่กำลังหยุดยืนอยู่ให้เดินหน้านายทหารหนุ่มจับต้นแขนแม่นัก เคมีฟิสิกผมทองเอาไว้บีบหนักหน่วงเหมือนจะส่งความหมายแห่งหัวใจของตนผ่านการสัมผัสชนิดนั้นไปให้หล่อนได้ทราบถึงความผูกพันอย่างแน่นแฟน้นที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในขณะ น, นี้เอาล่ะคริสไม่ต้องกังวลหรอกผมเชื่อคุณส่วนครูของคุณน่ะที่คุณบอกว่าได้ยอมฝากตัวเป็นศิษย์แล้วคนที่เดินตามรงเงียบเงียบอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ยิ่งไม่ต้องห่วง ก็ไม่ได้สนใจอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆราสาระนี่อยู่เอสิ่งที่เขาพวงหนักอยู่ในขณะนี้ก็คือเขาจะนําทางพวกคุณยังไงเพื่อสําเร็จผลและพวกเราทุกคนปลอดภัยเท่านั้นแหละขอยรู้ไว้ด้วยนะว่าคุณกับผมน่ะเป็นสิทธิ์ที่มีอาจารย์คนเดียวกันแนละ้วคุณฉลาดมากที่ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นมงคลสําหรับตนเองอย่างที่สุดพยายามประพฤติปฏิบัติตัวตามที่ครูสั่งสอนเถ้ะคุณ คุณจะรอดพ้นจากภัยพิบัติทุกอย่างในเส้นทางเดินมรณะนี่บุธฉันแน่ใจนะว่าฉันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเขาคนหนึ่งและจะไม่ทำให้ครูต้องยุ่งยากเดือดร้อนใจเลยฉันสาบานแล้วหล่อนเน้นประโยคมันมีกระแสะแห่งความเศร้าลึกๆเจือปนอยู่ด้วยในคำพูดนั้นโดยเชิดบุธไม่อาจจะสำเนีกได้ บุรุษเหล็กผู้เดินคุมขบวนทั้งหมดอยู่เบื้องท้ายสุดสดับความในนั้นได้และเขาก็ไม่ได้เอ่ยคำใดออกมาอีกทั้งสิ้นปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าสู่ดุษณียภาพตามเดิมแม่ผมทองถอนใจลึกดวงตาของหล่อนยามนี้ว่างเปล่าเป็นเวลาอีกเกือบครึ่งชั่วโมงเต็มเต็ม ที่ทั้งหมดพากันเดินเลาะไปตามขอบเนินดินนั้นโดยไม่มีใครพูดอะไรอีกเลยท่ามกลางความเงียบส ง, งัดแล้วขณะนั้นเองเสียงบุญคําซึ่งเดินนําอยู่เบื้องหน้าก็ดังออกมาจากลําโพงของวิทยุทุกคนที่เปิดสวิตช์อยู่นายข้างหน้านะ่ะทางตันซะแล้วมีทะเลสาบกั้นอยู่ลักษณะมันเหมือนทะเลสาบมรณะที่เราเคยผ่านมาครั้งก่อน ได้เป็นคนละด้านกันนะนายจากคำรายงานด้วยน้ำเสียงตื่นตื่นนั้นทำให้ทั้งคณะไหวตัวจากสภาพที่เดินตามกันไปในลักษณะแถวเรียงเดี่ยวนั้นทันทีทานใหญ่สั่งการออกไปทางวิทยุทันทีว่าอยู่ๆตรงนั้นก่อนบุญคำฉันจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละกล่าวจบเขาก็แทกตัวเบียดกลุ่มที่กำลังยืนนิ่งกันอยู่ขึ้นมาโดยเร็วตรงไปยังหัวแถว มีมือขวาของเขากำลังยืนคออยู่ก่อนแล้วก็พบบริเวณที่บุญคำกำลังหยุดยืนเอามือป้องดูอะไรเป็นเ่งเกียอยู่นั้นเป็นบริเวณพื้นดินที่โคกกว้างประมาณ20ตารางเมตรเหมือนหัวเกาะที่โผล่ขึ้นกลางพื้นน้ำอันแวดล้อมอยู่โดยรอบและเส้นทางเดินก็มาสะดุดชะงักอยู่ตรงนี้จรงิจรงๆเพราะถ้าก้าวลงไปอีกก็คือบริเวณพื้นน้า ซึ่งในระยะ 20-30 เมตรแรกๆ ก, ก็พอจะมีต้นไม้ยืนต้นแช่น้ำอยู่แต่เมื่อห่างไกลออกไปกว่านั้นก็เป็นยอดของวัชพืชทีท่งอกขึ้นในน้ำห่างออกไปอีกยึงมีสภาพของทะเลสาบแลลลิบลิ่วออกไปสุดสายตาจนกระทั่งจรดทิวเขาสลับซับซ้อนแลเหมือนภาพวาดและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่เมฆ รพินก้าวสวบสูบเข้ามายืนเคียงข้างบุญคันจ้องขม่งไปยังภูมิภาพด้านหน้าอย่างพิเคราะห์ใกล้ครวนหนักขณะนั้นเกิดเซยและจันท์ก็เข้ามายืนรายล้อมอยู่เบื้องหลังเขาชุมนุมกันอยู่เป็นกลุ่มและอันเนื่องจากเป็นบริเวณพื้นที่กว้างพอประมาณกลุ่มพวกลูกหาบและนายจ้างทั้งหมดจึงสามารถเข้ามารวมตัวกันได้ทุกคนเห็นกับภูมิภาพกึ่งสวยงาม ขึงหน้าสะพึงกลัวนั้นด้วยอาการตื่นตะลึงและเงียบกริบกันไปหมดต่างได้แต่จ้องมองสำรวจไปในทิศทางต่างๆเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายถูกจอมพรานค่อยๆหันไปมองดูคนของเขาอีกสามคนก็ปรากฏว่าทั้งจันเซยและเกิดต่างจับสายตามาที่เขาเป็นจุดเดียวอยู่ก่อนแล้วนเสียงจันกระซิบ แผวต่ำขณะนี้เจ้าพรานคู่ใจอันเปรียบเสมือนแขนซ้ายยืนอยู่ประชิด ต, ตัวเขาคนละด้านกระบุนคําเห็นจะไม่ผิดไปหรอกมันต้องเป็นทะเลสาบมรณะที่เราเคยผ่านกันมาแล้วแน่แน่เพียงแต่เราโผล่กมาพบคนละฝั่งกับครั้งที่เราเคยโผล่มาพบในครั้งกระโ น, น้นระพินเอาหลังมือเช็ดเหงื่อจากปลายจมูกดวงตาเป็นประกายประหลาด เกิดเซยเราสองคนมีความเห็นว่าไงพอจะจําอะไรหรือสิ่งที่สังเกตหมายตาได้บ้างไหมเกิดพยายามมองสิ่งแวดลอ้อมทั้งใกล้และไกลตัวไปรอบด้านอย่างใช้ความคิดและเรียกร้องความทรงจําเก่าๆแล้วก็พึมพำออกมาว่านายสภาพภูมิประเทศมันเหมือนกันทุกอย่างเลย เพียงแต่ว่ารูปร่างของภูเขาที่จะหรดท้องฟ้าอยู่นน์มันผิดไปจากที่เราเคยเห็นมองเท่านั้นแหละก็โล่ ก, กันออกมาพบคนละมุมคนละทิศน่ะรูปร่างทิวเขามันก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนี่ว่าเกิดเสียงเจ้าเสือแย้งมาระพินกระชากกล้องสองทางไกลที่บุญคำกำลังพยายามส่องมองออกไปยังทิวเขากลลิบจรหดขอบฟ้าภายใต้ม่านเมฆที่คลุมอยู่บางส่วนเท่านั้น เวลาเดียวกับเชิดบุตรและคณะนายจ้างอเมริกันทั้งหมดก็ตีวงรายล้อมเขาเข้ามาทั้งหมดยังคงสงบคอยดูท่าทีของเขาอยู่เงียบๆโดยไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นปล่อยเวลาสำหรับการส่องกล้องตรวจสอบของรพินยอยู่พักใหญ่สุภาพบุรุษไพยสํารวจค้นหาไปยังทุกแง่มุมของทิวอันซับซ้อนอย่างใช้ความวิเคราะห์ทีทวดและรอบคอบที่สุด ทุกคนเห็นว่าไม่เคยมีครั้งใดที่มรุเทศนำทางจะพินิจ ด, ดูภูมิประเทศบริเวณใดด้วยอาการช่างใจนานถึงเพียงนี้มาก่อนมันนานจะจนพวกลูกหากที่แบกของอยู่ต้องนั่งพักลงของลงชั่วขณะเกือบห้านาทีทุกคนก็เห็นเขาลดกล้องลงแล้วหันมาบอกกระฝายในจ้างเรียบเรียบว่า แล้วครับเรานั่งพักตรงนี้กินอาหารมื้อกลางวันกันได้แล้วเลยเวลามาตั้งเกือบสามชั่วโมงพวกคุณทุกคนกองใจหิวแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากพรางเขาก็ส่งสัญญาณพักให้แก่ลูกหากได้รับรู้บนเนินดินเหมือนเกาะเล็กๆนั้นทุกคนเปิดกระป๋องเบียงแบบเรช่นที่ได้รับการแจกจ่ายจากฝ่ายนายจ้างเอาไว้ก่อน ขึ้นมากินรองท้องเพียงเพื่อประทานชีพและสะสมพลังงานที่สูญเสียไปของร่างกายลักษณะล้อมวงนั่งรวมกลุ่มกันระพินคุณพอจะมีข่าวดีอะไรบอกให้พวกเราได้รู้บ้างเนี่ยและสเตลลีก็พูดขึ้นขณะที่จ้องเ้านิ่งระพินกำลังนั่งเอาหลังพิงรากไม้ขนาดใหญ่หันหน้าออกไปยังทะเลสาบมือใช้ปลายมีดพับเล็ก แค่เนื้อกระป๋องใส่ปากเคี้ยวช้าๆแต่ดวงตา ย, ยังคงจับอยู่ที่ทิวเขาอันเป็นฉากหลังของพื้นน้ำที่สนิทนิ่งราวกับแผ่นกระจกนั้นไกลลิฟออกไปย้อนถามมในระดับเสียงปกติรู้ได้ยังไงครับด็อเตอร์ว่าจะเป็นข่าวดีก็าจากประสาทสัมผัสของผมเองและจากสิ่งที่ศึกษาเรียนรู้มาจากธรรมชาตินิสัยของคุณมาก่อนไง คือถ้าคุณอยู่ในอาการขรึมสงบไม่แสดงอาการยินดียินร้ายอะไรเลยเนี่ย <c oughs> ก็แปลว่าสถานการณ์ของพวกเราอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเกนินเกณฑ์ดีขึ้นแต่ถ้าคุณเริ่มยิ้มหัวเราะแล้วก็เริ่มพูดอะไรที่เป็นเรื่องขบขันสำหรับพวกเราเมื่อไหร่ <c oughs> เมื่อ น, นั้นหมายถึงสัญญาณอันตรายที่ใกล้เข้ามาตอนนี้ผมเห็นอาการอย่างแรกของคุณจึงคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดี ยิ่งถ้าคุณบอกให้พวกเราพักกินอาหารได้แบบนี้ก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นรพินเปลี่ยนสายตาจากภูมิประเทศไกลโพ้นเบื้องหน้าหันมาสบตาด็อเตอร์สแตนลีย์แล้วยิ้มให้นิดหนึ่งทำให้สีหน้าอันเย็นกระด้างอยู่ตลอดการและดูมีชีวิตชีวาสดใสขึ้นผมเพิ่งจะมารู้ตัวเดี๋ยวนี้เองเนอะว่าผม ได้ถูกคุณศึกษาในด้านความรู้สึกนึกคิดมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้วิธีวิเคราะห์เอาจากอากัปกิริยาท่าทีของผมที่ผมไม่รู้สึกตัวเองตัวเองเอาเลยจริงๆว่าผมได้เป็นอย่างที่คุณว่าครับถูกต้องครับด็อกเตอร์ผมมีข่าวดีค่อนข้างมากทีเดียวที่จะเรียนให้ทราบแต่ก็ไม่ก่อนหน้าที่จะถูกเราถามใช่ไหมล่ะรพิน เบนสอดแทรกขึ้นมาพรานใหญ่หัวเราะเบาๆผมก็กะว่าจะเรียนให้ทราบภายหลังจากเราเสร็จอาหารมื้อนี้แล้วแล้วก็เตรียมออกเดินทางก็ไม่ได้คิดที่จะปิดบังไว้ตลอดไปหรอกนี่แต่เราก็กำลังรอฟังอยู่นะเพื่อนยากคิดกระตุ้นมาอีกคนขณะที่เอื้อมมือมาตบเข่าเข า, เขาแต่คนที่เคยเท่าทันความคิดภายในของเขาและมักจะเป็นฝ่ายยิงคาถามอยู่เสมอ คือคริสติน่าบัดนี้หล่อนกลับสงบนิ่งเฉยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นๆตนเองคอยสะดับฟังอยู่อย่างเดียวอย่างคนฉลาดลึกทุกคนโปรดทราบนะครับขณะนี้เราทั้งหมดกำลังอยู่ริมฝั่งของทะเลสาบมรณะอนันเป็นเป้าหมายที่ระบุบอกในแผนที่โบราณซึ่งผมเคยเดินทางมาในครั้งก่อน ระพินบอกกระทุกคนด้วยหางเสียงราบเรียบบกปิดความพอใจยินดีเอาไว้โดยไม่ให้ปรากฏออกมาเด่นชัดพร้อมกันก็ชี้มือไปยังทิวขุนเขาห่างไกลออกไปทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาส่องกล้องอยู่นานก่อนหน้าที่จะได้สั่งให้คณะทั้งหมดหยุดพักชั่วคราวทิวเขาที่เราเห็นอยู่หน้าคือทิวปีกครุฑครับผมเชื่อแน่ว่า มันต้องไม่ผิดไปอย่างเด็ดขาดแล้วถ้ามันถูกต้องตาที่ผมมั่นใจเนี่ยหลังทิวปิดครุฑออกไปทางด้านตะวันออกก็จะเป็นภูเขานิลการจากภูเขานิลการตัดที่ราบสูงทางด้านเหนือขึ้นไปอีกไม่เกินสามสี่วันเราจะเห็นเทือกพระศิวะสูงทะยานยันฟ้าอยู่เบื้องหน้าหลังเทือกพระศิวะนั่นแหละครับคือจุดหมายปลายทางของเราคุณคุณหมายถึงมรกรกนคร ดินแดนสันญญาที่คุณเคยไปตามตัวคนหายสาบศูนย์กลับคืนมาและเป็นดินแดนที่คุณเชื่อมั่นว่าเครื่องมีห้าสองของเราไปตกที่นั่นเหรอระพินหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์สวนมาโดยเร็วทุกคนเห็นปรางใหญ่ก้มศีรษะลงนิดหนึ่งครับถูกต้องครับตำแหน่งที่ผมไปตามคนหายสาบศูนย์ได้ตัวกลับคืนมานั่นแหละครับคือตำแหน่งที่ผมแน่ใจที่สุด ว่าเครื่อง B52 ตกและไม่อาจสำรวจหาได้ทางอากาศของพวกคุณเพราะความลี้ลับอาถรรพ์เหนือกฎเกณฑ์ของโลกน่ะมันปิดบังไว้บัดนี้โดยการติดตามมาทางภาค พ, พื้นดินความหวังของเราที่ครั้งแรกเป็นเพียงแค่เงาเลือนลางได้ผุดเป็นภาพเด่นชัดขึ้นแล้วละครับความปิติตื่นเต้นปรากฏขึ้นในอากัปกิริยาและสีหน้าของสแตลลีคีทเบล และคริสติน่าอย่างเห็นได้ชัดยกเว้นเชิดวุฒิเท่านั้นที่คงเงี่ยหูฟังทุกคนที่โต้ตอบกันด้วยอาการสงบวิเศษพระเจ้าเข้าข้างเราแล้วขอให้มันเป็นความจริงเถอะสตาลีร้องออกมาด้วยความดีใจนี่รัพินเมื่อครูน่นี้ฉันสังเกตเห็นพวกครานลูกน้องของคุณซุบซิบ ป, ปรึกษาอะไรกันอยู่อาการเหมือนจะโตเถียงกัน แล้คุณเองก็อยู่ในการลังเลอยู่นานทีเดียวก่อนที่จะสั่งให้พวกเราพักเบนถามมาด้วยความสงสัยเบนครับคนของผมแล้วก็รวมทั้งตัวผมเองด้วยอยู่ในภาวะงงเมื่อมองเห็นทะเลสาบเป็นความตายเพราะครั้งก่อนที่เราเดินทางมาพบน่ะเราเห็นภูเขาฝั่งตรงข้ามตรงกับแผนที่ลายแทงทุกอย่าง คือเป็นรูปลักษณะเหมือนนกอินทรียใหญ่กำลังกลางตีกพั ง, งาดอยู่แต่การโผล่มาพบกับทะเลสาบแห่งเดียวกันนี่ในคราวนี้เรามองเห็นเทือกเขาเปลี่ยนลักษณะไปจึงทําให้เกิดการโต้เถียงกันว่ามันจะเป็นทะเลสาบเดียวกันหรือไม่แต่ผมได้พิเคราะห์แล้วมันคือทะเลสาบแห่งเดียวกันนั่นแหละลักษณะของมันบ่งชัด แตกต่างกันเพียงแค่ทิวเขาได้เปลี่ยนรูปร่างจากสายตาที่มองเห็นไปบ้างเท่านั้นสาเหตุที่มองเห็นภาพทิวเขาเปลี่ยนไปก็เพราะเราโผล่ออมาคนลรฝั่งของทะเลาสาบในครั้งแรกขุนเขาเหล่านั้นอยู่ทางด้านเหนือในแนวตรงหน้าเราจึงมองเห็นเป็นรูปอินทรีกลางปีกแต่คราวนี้เราโผล่มาพบทะเลาสาบทางด้านตะวันตกเมื่อมองไปยังทิวเขาเหล่านั้น ภาพมันก็เลยเปลี่ยนลักษณะไปบ้างต่างไปกว่ามุมที่เราเคยเห็นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมฟังคุณอยู่นี่ก็ยังงงงงอยู่นะระพินสแตนลีพูดโดยเร็วพร้อมทั้งยกมือขึ้นนี่คุณหมายถึงว่าตอนที่คุณพบกระทิวเขาปีกครุดในคราวนั้นพวกคุณได้โผล่มาทางด้านทิศใต้ของทะเลสาบ แล้มองข้ามทะเลสาบออกไปทางด้านเหนือจึงมองเห็นภาพทิวเขาเป็นรูปอินทรีกลางปีกถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องพวกเราในขณะนั้นน่ะโผล่ออกมาจากด้านใต้ของทะเลสาบและมองข้ามทะเลสาบเป็นแนวตรงไปยังทิวเขาที่อยู่ทิศเหนือครับอ่าและขณะ น, นี้คุณว่าพวกเราเข้ามาถึงทะเลสาบทางด้านทิศตะวนตันตกอย่างนั้นหรือปะ ถ้งนั้นคีดร้องออกมาห้าวห้าจ้องตาเขาเขมงโดยถือเอาทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางถ้าทิวเขาที่เราเห็นลิบลิบอยู่นี่เป็นทิวเขาปีครุฑจริงๆมันก็ต้องคงอยู่ทางด้านทิศเหนืออยู่วันยังค่ำใช่ไหมก็ควรจะต้องเป็นยังงั้นน่ะและนายสงสัยอะไรพันเอกแห่งย s เอสอามีผู้เชี่ยวชาญในการบิน หันไปมองดูขุนเขาสลับซับซ้อนนั้นอีกครั้งเหมือนจะคำนวณหาทิศแต่การเดินทางอย่างวกไปเวียนมาทำให้นายคิดเองก็ชักจะงงทิศซะและ้วจะอาศัยลำแสงของตะวันขณะนั้นก็แฝงตัวปกคลุมอยู่ในเมฆทึบทำให้สังเกตอะไรไม่ได้เลยพึมพมออกมาว่าเอ๊ชักสับสนชะแล้วสินคิดเหนืออยู่ทางด้านไหนกันแน่วะ นี่นายนายเป็นนักบินตวัดตะบวยอะไรวะถึงได้หลงทิศง่ายได้แบบนี้เชิดวุดว่าแล้วแบมือออกไปทั้งด้านหน้าของทิศกลางฝ่ามือของนายทหารไทยคือเข็มทิศเดินป่าเข็มที่แต้มพายน้ำเขียวเรืองเ อ, เอาไว้ซึ่งจะต้องชี้เหนืออยู่ตลอดเวลามันสั่นไหวอยู่ริกๆและชี้ไปทางด้านที่มองเห็นเทือกเขา อยู่ในขณะ น, นี้โดยไม่ยอมหมุนไปทางด้านอื่นทั้งสิ้นไม่ว่าเชิดบุญจะสั่นไหวมือกวัดแกงเช่นไรนี่เห็นอยังด้านเหนือมันก็คือด้านที่เข็มข้างซึ่งแต้มลายน้ํานี่ชี้ไปนี่แหละมันชีน้ไปที่ทิวเขาลิบลิบหลังใบหูเองนูน่นทิวเขาอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบจริงๆด้วย ทุกคนยกเว้นรพินและคริสติน่าชะงโงกหน้าเข้าไปดูเข็มทิศในฝ่ามือของเชิดบุตรแล้วคลางออกมาเป็นเสียงเดียวกันอย่างตื่นเต้นเข็มเหนือชี้ไปยังทิวเขาที่เราเห็นอยู่นนถูกต้องแล้วก็ผากันเงินไปชั่วขนาดจิตคริสติน่าสบตารพิน์เป็นครั้งแรกเ อ, อ่ยถามขึ้นมาเสียงเบาๆว่า ระพในลายแทงเก่าแก่ของคุณที่ใช้เป็นแผนที่ประกอบการเดินทางครั้งนั้นนอกจากทะเลสาบที่เรียกว่าทะเลสาบมรณะนี่แล้วยังมีทะเลสาบหรือลักษณะอื่นใดที่ใกล้เคียงกับทะเลสาบนอกเหนือไปจากนี้อีกบ้างไหมคริสอทะเลสาบกว้างใหญ่สุดหูสุดตายอย่างนี้ก็มีปรากฏอยู่แห่งเดียวเท่านั้นแหละในลายแทงเก่า เขาตอบมาถ้าเฉ น, นั้นก็น่าจะถึงบทคิวดีได้แล้วนี่คุณว่ามันต้องเป็นทะเลสาบมรณะตามลายแทงนั่นแหละเพราะมีทิวเขาสลับซับซ้อนอยู่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของทะเลสาบไม่ว่าเราจะโผล่ออกมาพบทะเลสาบทางด้านทิศใดก็ตามทิวเขาจะต้องอยู่ด้านเหนือคงที่เสมอไปทุกครั้งเพราะภูเขาย้ายตำแหน่งตัวเองไม่ได้ บราโวคุณแม่นยำต่อเป้าหมายเหลือเกินไม่ว่าลูกปืนหรือการเดินทางนำเข้าหาจุดเบนร้องเอ็ดออกมาอย่างดีใจขีดสุดชะโงกตัวเข้ามาจุ๊บแก้มพรานใหญ่โดยแรงชนิดที่เขาไม่ทันรู้ไม่ทันรู้ตัวแล้วกอดคอเขยา่ารพินนั่งตัวแข็งวางสีหน้าไม่ถูกเพราะมันต่อหน้าต่อตาหมู่คณะทั้งหมด คนเหล่านั้นอาจไม่คิดอะไรทั้งสิ้นในอาการแสดงความยินดีอย่างเปิดเผยเป็นกันเองของแม่ผมแดงแต่รานใหญ่รู้สึกพิพักพิพวนยังไงบอกไม่ถูกโดยเฉพาะต่อหน้าพวกลูกหาบและรานพื้นเมืองของเขาแล้วก็ยิ่งฉุนกึกขึ้นสมองเมื่อได้ยินเสียงตบมือหัวรอชอบใจดังลั่นมาจากตาเท่าบุญคำพร้อมทั้งแหกปากตะโก น, นว่านะ มันต้องยังงานแมมเบลนายรพินนพามาจนหินช่องทางสําเร็จอยู่จักรแหลนแค่นี้แล้วต้องให้รางวัลหอมแก้มกระเร่งๆหน่อยแล้วไอ้คำอ่ะไอ้คำน่ะเป็นคนนําทางเดินหนะ้ามาพบทะเลสาบเข้าก่อนหนะ้าแมมเบลอิสเบลหัวเราะชอบอกชอบใจลุกขึ้นทันทีเดินปรีไปยังแกพร้อมทั้งบอบปนหัวเรา ะ, ะร่าเริงว่าไม่เป็นไร ถึงบุญคำฉันก็ต้องให้รางวัลเหมือนกันมานี่มานี่อา้อาวอ้าวแล้วหนีทำไมอ่ะตาเท่าบุญคำตกใจไม่นึกว่าแมมจะเอาจริงถึงขนาดนี้เพ่นรวดวเอาใบสู่รตัวร้องจ้าด้วยความตกใจโว้ยแมมจะไล่ปลามกูช่วยด้วยวายชีตกหายโว้ยแล้วแกก็เสียหลักเบรกไม่ทัน ายหลังถึงตกจากบริเวณเนินดินลงไปกระทบพื้นน้ำตื้นๆขนาดโคลนขาดังตุ้มสนั่นตาลีตะเหลือกตะเกียกตะกายเกาะรากไม้ไว้ตัวเปอะน้ำเปื้อนโคลนทั้งหัวหูดำมิดหมีไปหมดท่ามกลางเสียงหัวเราะอย่างคลื่นเครงของคณะอูถะและพระโต้สองคนช่วยกันส่งมือไปให้กระจับแล้วเหนียวเอาตัวตาเท่าขึ้นมาได้ เบนตบมือหัวร่อจนตัวงอบุญคำสลัดโครนออกจากหัวรับเอาผ้าเข้ามาขึ้นมาเช็ดแล้วยิ้มแย่ๆบุญอุบๆฝากไว้ก่อนเฮอะแมมที่คนมากๆแล้วก็ทำเป็นไล่ฟัดบุญคำดีนักเอาไว้รับหูรับตาใครสักหน่อยเหอะไอคำจะไล่ปล้ำใส่เข็ด